นี่คือรายการเปิดธรรมที่ถูกปิดพ่อออนไลน์เอพิโซดที่93ครับในตอนที่93นี้เราพูดถึงเรื่องของการแก้ปัญหาที่ถูกจุดอีกในยะหนึ่งเราพูดถึงเรื่องการรับฐานเจและก็ได้ตอบคำถามบางส่วนด้วยครับอาจรมาพระไพบุญก็มาพร้อมกับคุณหมอนัตพงศ์ครับกับนักการครับกับผมนัตพงศ์กรกพิลุนครับวันนี้เรามาพูดกันถึง เรื่องที่เราได้กล่าวไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซ้ํากันอีกนิดหนึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมากหมครับตพงศ์คือการแก้ปัญหาให้ถูกจุดอ๋อใช่ครับเป็นเรื่องเบสิกเบสิกมากๆเลยที่เราจะมองข้ามไปอืคือว่าความทุกข์เนี่ยเราต้องรอบรู้รอบรู้ไม่ใช่ไม่ใช่ล้างมันทิ้งอ่าเป็นสิ่งที่ควรกําหนดรู้เป็นสิ่งที่ควรรอบรู้เป็นสิ่งที่ควรเข้าใจมันในการพูดภาษาบ้านบ้าเรา คือต้องทำความเข้าใจอ่ะต้องรอบรู้ต้องกำหนดรู้นะไม่ใช่สิ่งที่จะต้องละทิ้งครับก็มีสอดคล้องกับคำถามของคุณผู้ศึกษาปฏิบัติพดีที่ต้องการให้อธิบายเพิ่มเกี่ยวกับ6กประเด็นที่อาตมาพูดถึงว่าจะทำยังไงให้เข้าใจความทุกนี้ได้ก็คือต้องการให้ซ้อีกครั้งหนึ่งต้องการให้ซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่าจะทำยังไงถึงจะเข้าใจตรง6ประเด็นนี้ได้ เพราบางทีเราก็พูดเร็วไป น, นิดนึงเหมือนกันนะครับจริงๆแล้วผู้ชาบเคยตรัสไว้ที่นั่นที่นี่ที่โน่นบ้างนะมีทั้งหมดเจ็แง่มุมคือเจ็ประเด็นน ะ, ะที่ไม่ใช่หนะครับเป็นเจอ่าเป็น เ, นเนคือจริงบางทีก็รวบเป็น6บางทีก็เป็นเจ็ดนะถ้าเราดูง่ายๆที่เรีสซาจ์พระโสดภักต้นหน้าหนึ่งร้อยเจ็สิบสองเนี่ยอันนั้นจะเป็นหนึ่งในหลายๆหนยยกอยู่นะคือหนึ่งให้ทําความเข้าใจตัวมันเอง นนี่ไล่ไปทีขั้นตอนนะข้อที่หนึ่งก่อนนะตัวความทุกข์ที่คุณเจออยู่เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะพระพุทธเจ้ายกตัวอย่างเวทนาในเวทนาก็มีความสุขก็มีมีความทุกข์ก็มีมีความไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็มีอุเบกขาอ่ามีสามอย่างหรือถ้าเราพูดถึงความเกิดการเกิดอย่างเงี้ยเาบอกพะพุทธเจ้าบอกการเกิดเป็นทุกข์เอมันการเกิดนี่มันมีอะไรบ้างตัวการเกิดเนี่ยนะอเกิดแบบจุดติก็มีเกิดแบบขั้นก็มีเกิดเป็นในไข่ก็มีเกิดในสันเดริชานก็มีอันนี้เป็นต้น อ๋อหรือเราพูดถึงความตายโอ้ยความตายเป็นทุกข์แต่ตายแบบไหนบ้างแก่ตายก็มีนะแกงงอมตายก็มีนะยิ่งตายอยู่ในท้องก็มีตายท้องกลมนะอืหรือว่าตายตอนเด็กๆก็มีมันก็มีตายหลายแบบจากอุบัติเหตุอุบัติหตตายก็มีเป็นโรคตายก็มีเออครับโรคเรื้อรังตายก็มีหลายตายก็มีหลายตายหลับไปเลยครัอ๋อพระพุทธเจ้าได้แจกแจงวิธีเหล่านี้ด้วยใช่ไหมครับเอ่อความตายนี่ คือการทอดทิ้งร่างพูชาบอกอย่างนี้นะคือการเสื่อมสลายจากชีวิตนะหรือถ้าอย่างเซลสัดเซลเดียวเนี่ยเวลามันตายเนี่ยมันก็หยุดการทํางานของมันไปเท่านั้นเองนออย่างเซลล์ต่างๆเอาไว้ต่างในร่างกายของเราเนี่ยเวลามันหยุดทํางานมันก็หยุดกึกไปเลยเหมือนเราปิวิตต์ปิดวิตก็แค่นั้นเองเฮ้ยทาไมเวลาเราตายเรารู้สึกทุรนทุรายอย่างเงี้ยร่ำไรลำพันธ์มันมันก็มีการตายที่แตกต่างกันครนะหรือถ้าเราบอกความเจ็บเป็นทุก นะความโศกความร่ำรำนาพันเป็นทุกข์พนระเจ้าก็แจกแจงเลยความโศกความร่ำรำนำพันเป็นไงบ้างเอบางทีเราเจอกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจคนที่เราต้องการอยู่ด้วยเช่นมันได้บิดาเพื่อนฝูงเราไม่ได้อยู่ด้วยนะคนที่เราไม่ต้องการอยู่ด้วยคนที่เราไม่ชอบกับเรากับต้องอยู่ด้วยอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นความกระแจกแจงไปว่า ง, งาั้นนี่คือข้อที่1นึ่งนั่นเองเข้าใจตัวมันเองนะต่อไปเข้าใจเหตุเกิดของมันอะไรเป็นแดนเกิดอะไรเป็นที่ให้เกิดอะไรเป็นที่กําเนิดของสิ่งนี้ เราต้องเข้าใจถ้าเราพูดถึงเวทนาคําตอบก็คือภาษาใช่ไหมภาษาเป็นเหตเกิดของตัวเวทนาเวทนาใช่ครับถ้าเราพูดถึงความเกิดเป็นทุกข์อะไรเป็นเหตุของการเกิดโอ้พราะมีภพนั่นเองภพจึงเป็นสถานที่เกิดให้มีการเกิดเกิดขึ้นได้ถ้าเราพูดถึงความตายอาทําไม่มีความตายเอาเหตุเกิดของความตายคือความเกิดนั่นเองใช่ครับถ้าเราพูดถึงความเจ็บเอาทําไมมีความเจ็บเอาความเจ็บเป็นผลปวงมาจากการเกิดการเกิดนั่นเองครับ บางทีความเจ็บนี้เป็นสัญญาด้วยถ้าเป็นสัญญานี่ก็แสดงว่ามีนามรูปมีความจําได้หมายรู้ถ้ามีนามรูปก็อะไระเป็นเหตุเกิดของนามรูปก็ต้องพูดถึงวิญญาตเพราะคุณเข้าไปรับรู้ความเจ็บตรงนี้นี่ก็เป็นอีกในยะหนึ่งนะนี่คือข้อที่2คสอง ค, คือรู้เหตุเป็นแดนเกิดของมันรู้เหตเเุข้อที่สามนี่อันนี้แยกได้เป็นสองข้อ ค, คือความเป็นแตกต่างกันของมัน ความแตกตา่างความแตกต่างเนี่ ย, ย, ยว่าเช่นว่าตัวมันให้สุขยังไงให้ทุกยังไงนะแตกต่างกันยังไงเวทนานเช่นเวทนาเนี้ยเวทนาที่พาเราไปสุขก็มีเวทนาที่พาเราไปทุกก็มีนะหรือสุขวเวทนาทุกก็เวทน า, าทนี่นี่คือในยะที่อีกในยะหนึ่งที่พระเจ้าพูดถึงแต่ในหนังสือหน้าร้อนี่พูดถึงคำ ว, ว่าเวทนาที่เป็นอาหมิตดก็มีเวทนาที่เป็นนิรามิดก็มี เวทนาที่เนื่องด้วยเย่าเรือนก็มีเวทนาที่เนื่องด้วยการออกจากเย่าเรือนก็มีอย่างเงี้ย mm hmm. คือนอกจากสุขและทุกเขเวทนาแล้วนะที่เป็นลักษณะที่เราอธิบายมาในต่นตอนแรกใช่ไหมยังมีแ <Okay, S 1> ง่มุมที่แตกต่างกันของมันอันนี้บุรุเจ้าต้องการให้เข้าใจ้งนี้อะครับเช่นเช่นบางทีเราอยู่ในเย่าเรือนเรามี ค, ความสุขสมานัดด้ใดๆเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นสุขสมานั้ที่เกี่ยวเนื่องด้วยเย่าเรือนแตนะ mm hmm. บางทีเราอ ออกจากเรือนแล้วมีสุขโสมนัตเกิดขึ้นอย่างเช่นบางคนมานั่งสมาธิอย่างเงี้ยออกจากเย่าเรือนใช่ไหมไม่เกี่ยวข้องโดยเรือนละนั้นจิตรวมลงไปมีความสุขมีโสมนัตเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นสุขโสมนัี่เนื่องด้วยการออกจากเย่าเรือนเป็นต้นอ๋อเข้าใจกันหรือโทมนัตโทมนัตที่เนื่องด้วยการออกจากเย่าเรือนเอด้วยการอยู่ในเย่าเรือนนะเช่นบางทีเรานึกถึงความทุกข์ต่างๆที่เรามีอยู่ในสมัยที่ยังครองเรือนอยู่ครับอันนี้ก็อย่างะหนึ่ง คือตอนเราต้องเข้าใจความแตกต่างของมันนะนี่คื อ, อคือใ น, นยะหนึ่งที่พุทธเจ้าตรัสไว้อีกใ น, นยะหนึ่งบางในยะพุทธเจ้าแยกตรงนี้ออกเป็น2นะคือรสอร่อยอะไรบ้างกับรสอร่อยนะกับโทษอันต่ํา ม, ามอ๋อที่เรียก ว, ว่าอาสารทะกับอาทินวะใช่รส <ๆ S 1> อร่อยกับโทษอันต่ํา3บางบาง บ, บางครั้งคือหายควว่าบางครั้งเนี่ยพุทเจ้าไม่ได้ตรัสถึงข้อที่สานี้นนแต่ตรัสแยกออกเป็น2ข้อคือรสอร่อยก็มีโทษอันต่ํสามก็มี เพระง<ม>ั้นข้อที่สามเนี่ยจึงแยกออกเป็นสองได้จึงเป็นเจ็บ้างเป็นหกบ้างอย่างเงี้ยอ๋ออยู่ที่การแจกแจงใช่ครับน <ะ S 1> อ, นอรสอร่อยของอย่างเวทนาคืออะไรโอ้โหมันทําให้เรามีความสุขก็มีนะครับอันตามชาติของเวทนาคืออะไรหมันที่มันบัรหายไปโดยที่เราไม่ต้องการให้มันหายไปนะอืมครับมันไม่เที่ยงตรงนี้ก็เป็นทุกข์ใช่รสอร่อยของความเจ็บมีไหมบางคนชอบเจ็บเจ็บมีมีครับชอบมีนะชอบเจ็บเจ็ ซาดิสซาดิสครับบางคนก็รสอร่อยของการเกิดมีไหมมีนะอบางคนยังฉลองมันเกิดแฮปปี้มากเลยโอ้คนส่วนใหญ่ในโลกนี้หลยครับแล้วก็รสอร่อยของความตายมีไหมมีนะคนที่อยากให้ให้คนอื่นตายก็มีนะมีดีแล้วมันตายมันหนักโรคช่างหัวมันอย่างเงี้ยก็มีนะครับสามแช่นกันเพราะั้นแล้วโทษอันต่ําชามีไหมก็มีมีหมดเลยหมอรัฐพงครับแต่ถ้าเราดูดีๆเนี่ย เราจะเห็นว่ามันมีทั้งรสอร่อยทั้งโทษอันต่ําซามมีหมดเลยนะอันนี้เราเริ่มเข้าใจแล้วนะเราเริ่มเข้าใจพอเรามาถึงข้อนี้เราเริ่มเข้าใจแล้วนะอออืมข้อที่สี่นะตามตามนื้ยะของหนังสือที่นี่เล่มนี้นะหน้านี้ก่อนนะเอคือหมายว่าข้อที่สามเมื่อสักครู่เนี้ยเราแยกได้เป็นสองความแตกต่างเป็นสองคือให้สุขกับให้ทุกข์ครับสุขอ่อโทษอร่อยด้วยโทษอันต่ําซามด้วยบางบางเนื้ยะผู้ชาตัดอย่างนั้นนะแต่ในที่นี้ผู้ชาพูดถึงความเป็นแตกต่างของมันเฉย นะลักษณะแตกต่างกันของมันท mm hmm. ีนี้เราก็ตามลําดับไปข้อที่สี่ก็ผู้เาบอกว่าผลนะของมันจะเกิดอะไรเช่นถ้าเราบอกว่าเวทนาผลของเวทนาคือลันหาใช่ไหมครับผลของความเกิดคือความแก่แกนะผลของความตายคืออะไรออผลของความตายคือผลของความตายก็คือว่า <c oughs> มันก็จะต้องวนไปอีกนะ หรือวนไปเกิดใหม่อีกอ่าถ้าจะมัยังมีอวิชชาอยู่ก็วนไปเกิดใหม่อีกนะคือความตายเนี่ยรวมอยู่ในความทุกข์นะเพราะมีการเกิดเป็นปัจจัยจึงมีความแก่ความตายความโศกความรำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความขัดแย้นใจทั้งหลายอ๋อครับเพราะฉะนั้นผลของไอ้พวงตรงนี้นะทั้งความแก่ความเจ็บความตายความโศกความรำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความขัดแย้งใจทั้งหลายเนี่ยรวมเป็นก้อนหนึ่งแล้วผลของตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือเรียกว่าทุกข์นะ ผลของคว า, ามทุกข์เนี่ยผลของความทุกข์เนี่ยคือศรัทธาหมอลงศ์อ๋อผลของความทุกข์คือศรัทธาอ้อันนี้เพิ่งเคยได้ยินครับเอ้าก็ที่ที่ว่าคือคนที่มีทุกข์เนี่ยเมื่อมีทุกข์แล้วจะรู้ทําไงเห็นทุกข์เห็นทําไงใช่ครับความตายเนี่ยเป็นทุกข์อย่างหนึ่งใช่ครับความโศกเป็นทุกข์อย่างหนึ่งความเจ็บเป็นทุกข์อย่างหนึ่งเป็นแล้วเราจะเห็นธรรมได้คุณจะเห็นธรรมได้เน่ะก็คือคุณต้องมีศรัทธาไง ครับอคน<ม>จะมีศรัทธาได้คุณต้องมีสัมมาทิฏฐิมีเพื่อนดีนะคุณคเลยถึงจาพาะพอจะเปลี่ยนจากความทุกเนี่ยให้เป็นศรัทธาได้<ม>นะคือคือพระเจ้าเคยตรัส ถ, ถึงความทุกข์ว่ามีผลอยู่สองอย่างครับมีนะอะไรบ้างครับคนะือที่อยู่ในเว็บไซต์หน้าแรกเลยของวัตตาดอนไทรโศนะ w p d h s org เนี่ยถ้าเข้าไปดูจะมีพระสูตรนี้อยู่เลยมาแล้วพงศอ่านให้ฟังอพระสูตรนี้กล่าวว่าบุคคลบางคนในโลกนี้ถูกความทุก์ชนิดใดครอบงำแล้วมีจิต อันความทุกข์รวบรัดแล้วย่อมโศกเศร้าย่อมระทมใจคล่ำคลวนตีอกรำ่ำไห้ย่อมถึงความหลงไหลหรือว่าถูกความทุกชนิดใดครอบงำแล้วมีจิตอันความทุกข์รวบรัดแล้วย่อมถึงการแสวงหาที่พึ่งภายนอกว่าใครหนอย่อมรู้วิธีเพื่อความดับไม่เหลือของทุกนี้สักวิธีหนึ่งหรือสองวิธีจเจ๋วไหมจเจ๋วไหม บุคคลที่ถูกความทุกข์ครอบงาแล้วเนี่ยนะครับประการแรกคือนี่เลยที่โอกริ่มให้คร่าคนทุบบกชกตัวถึงความเป็นผู้งุงงหลงไหลนี่คือเคสที่หนึ่งจมปลักอยู่ในความทุกข์นี่มีความทุกข์มากเลยแล้วก็มาบนมาว่าบอกโลกประเทศเดี๋ยวนี้เมื่อบ้านเมืองเดี๋ยวนี้โลกเดียวนี้ขาดทางแดนธรรมะอ่ไรเงี้ยใช่ครับอันนี้คือกรณีที่หนึ่งกรณีที่สองคือว่าย่อมสแสวงหาที่พึ่งภายนอกนะีย่อมสแสวงหาที่พึ่งภายนอกนะครับ ถามตัวเองว่าจะมีใครนอกจะรู้ปัญหาทางแก้ปัญหานี้สักอย่างน้อยสักหนึ่งถึงสองวิธีตรงนั้นคือศรัทธาที่คุณคุณมีจึงแยกออกไปแง่งนี้ได้คือคือถ้าอย่างคนไข้ทั่วไปเนี่ยรู้ทุกนะใครๆก็รู้หมอแล้วพงคนคนปวดฟันคนปวดท้องคนปวดหัวเลยทําไมเขาจะไม่รู้ว่าเขาปวดฟันปวดท้องปวดหัวรู้แน่นอนแต่ความรู้ของเขาต่างจากหมอ หมอปวดท้องหมอปวดฟันหมอปวดหัวหมอก็ปวดเหมือนกันแต่รู้คนละแบบนะับหมอนี่จะรู้ว่าให้ปวดฟันนี่มันเป็นอะไรเ <c oughs> <c oughs> หตุเกิดมันเชื้อตรงไหนต้องแก้ยังไงมีทางสว่างข้างหน้านะเพราะว่ารู้วิธีดับแ <c oughs> ห่งความทุกนี้แล้วสักหนึ่งหรือสองวิธี <c oughs> ใช่ไหมแต่คนบุรุษชนธรรมดาที่ไม่ใช่หมอก็ไม่รู้นะถูกความทุกข์รบาวแล้วก็คล่ําล้ายคล่ําครวญ นะยังดีสุดก็นอนคลุมโปรงอยู่ที่บ้านรเราคอยความตายเราคอยความทุกข์ครับเหมือนกัน <c oughs> เพราะฉะนั้นถามว่าคุณจะทุกข์แล้วตันนะคือที่บอกว่ า, เ, าเหตุเกิดผลของความทุกข์ใช่ไหมใช่ถ้าเผื่อว่าคุณ เ, เจอแล้วเนี่ย เ, เราไม่เข้าใจว่าผลของมันจะเกิดอะไรเนี่ยอันนี้คือคุณรู้ตัวแล้กตันอยางนั้นนะคุณก็ <c oughs> ยังไม่รอบรู้อ่ะจนกระทังว่าเรามารู้ว่าอ๋อมันมีทางออกตรงนี้ รนะเราก็จะรู้ที่เรียกว่ารู้ข้อที่สี่อยู่อืมแสวงหาที่ปึ่งจภายในนอกทีนี้ข้อที่ห้าคือความดับไม่เหลือของมันคืออะไรถ้าเราพูดถึงเวทนาความดับไม่เหลือของเวทนาคืออะไรแล้วก็คือความดับไม่เหลือของพัสดกถ้าเราพูดถึงการเกิดความดับไม่เหลือของการเกิดคืออะไรก็คือความดับไม่เหลือของภพถ้าเราพูดถึงความเจ็บการดับไม่เหลืองความเจ็บคืออะไรความเจ็บเป็นส่วนหนึ่งของทุกใช่ไหมงั้นก็คือความเกิดซ่า หรือไม่ก็ดับวิญญาณซะถ้าดับวิญญาณแล้วก็ไม่มีนามรูปในสัญญาอยู่ในนามรูปก็วิญญาณก็ดับไปได้นะหรือถ้าพูดถึงความตายความตายก็วิธีดับความตายก็คือมาจากการเกิดนั่นเองนี่คือข้อที่ห้ดับความเกิดับใช่ส่วนข้อที่หกคือทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของมันได้มีวิธีไงที่จะบอกว่าอย่างเวทนาเนี่ยมันจะดับก็เพราะว่าต้องดับภาษาใช่ไหมแล้วจะดับภาษาได้ไงก็ต้องมักแปด อย่างเงี้ยตรงนี้จริงๆข้อที่หกเนี่ยอคําตอบนี่คือเดฟอลต์เลยนั่นคือมักแปดหมดตอบอบได้หมดเลยตอบได้หมดเลยถ้าเราเอาความเจ็บเข้ามาแทนใช่ไหมเหตุเกิดวิธีชำระความเจ็บได้เอาคุณดับเวียนญาณก็ได้หรือดับที่การเกิดก็ได้อะไรเป็นอวิธีการให้ดับการเกิดวิธีการให้ดับวิญญาณแต่ก็มักแปดนั่นเองหรือถ้าเราเอาการเกิดมาใส่ตัวแปรตรงนี้มาใส่ใช่ไหม ครับเอ่อพบอาิธีการดัดพบทํายังไงก็คือต้องใช้มักแ8ดนั่นเองเรียกว่าสมัยเราก็คือถูกทุกข้อตอบที่มักแใช่ใช่แต่ถ้าตอบมักมีวงแปดนี่ถูกทุกข้อครับเออตอบได้หมดทุกคําถามครับทีนี้นี่เราเข้าใจแล้วนะหนึ่งสองสามสี่้าหกนะหกอย่างขาชวนนิดหนึ่งตข้อหนึ่งนี่พอดีจดไม่ทันเลยข้อหนึ่งก็คือตัวมันเองต้องเข้าใจตัวมันเองอ๋อเข้าใจตัวมันเองใช่ว่าตัวมันเองคืออะไรครับ ข้อสองก็คือรู้เหตุเหตุเป็นแรนเกิดของมันเกิดครับข้อที่สามคือความแตกต่างของมันในข้อสามนี้บางทีพระเจ้าพูดเป็นสองนัยยะอ่าครับคืออาสาท่กับอธินามะบ้างครับแล้วก็ข้อที่สี่ก็คือผลของมันเกิดอะไรใช่ครับข้อที่ห้าความดับไม่เหลืออ๋อความดับไม่เหลืออันนี้ก็คือความเหคือดับไม่เหลือของเหตุนั่นเอง อ๋อใช่คำนิโรธได้ไหมครับนั่นหรือว่าเใช่ใช่ถูกต้องผู้ชาใช้คําว่านิโรธบส่วนข้อที่6กคือนิโรทคามินีปฏิปทาอ๋อทางทางให้ถึงความดับครับใช่เพราะงั้นก็คือในพระสูตรนี้พูดถึงหอย่างอีกพระสูตรหนึ่งพูดเจอย่างแตบางพระสูตรก็พูดน้อยกว่านั้นก็มีครับถ้าเจ็ดก็คือตรงข้อสามแยกย่อยออกเป็นสองใช่ ก็คือมีตัวมันเอง<ม>เหตุเป็นแดนเกิดรสอร่อยโทษต่ำสามผลความดับแล้วก็ทางดำเนินเจอย่างเอาพูดง่ายๆนะหมอรองพงเอาสี่อริยรรรสัจสี่มามาจับเอาสี่อริยสัจสีได้สี่ข้อนะแล้วก็อีกสามเนี่ยก็คือโทษนะตัวมัน<ท>เองนะแล้วก็วรสอร่อยแค่นั้เองอ๋อโทษตัวมันเองรสอร่อยอ๋อรวมเป็นเจ็ดพอดีแต่ถ้าจําง่ายๆนะครับจับง่ายๆก็อริยสัจสี่สี่อย่างแล้วใช่ไหม แล้วก็ยังมีโทษรสอร่อยแล้วก็ตัวมันเองต้องเข้าใจตรงนี้เนี่ยก็เป็นเจ็ดอย่างเจ็ดอย่างนี้ถามว่าโอ้โหต้องเข้าใจเจ็ดอย่างเลยเหรอถึงจะจะเรียกว่าเข้าใจทั้งหมดเนี่ยเข้าใจมันบางทีมันโอเวอร์เวิมนะโอเวอร์เวิร์มเนี่หมือนว่าทุ่มทุนมากทุ่มทุนแล้วกูจะปฏิบัติยังไงวะเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนแล้วก็รู้สึกจะต้องฝืนในการปฏิบัติแต่จริงๆแล้วเนี่ยเอถามว่ารู้อย่างน้อยที่สุดเท่าไหร่ รู้อย่างคือเท่าไรแล้วคือสมมติรู้อย่างอย่างเช่นว่าเรารู้รสอร่อยของมันอย่างเงี้ยเรารู้โทษอันต่ําซามของมันอย่างเงี้ยอืมพอไหมครับเรารู้แล้วนะโทษอันต่ําซามรสอร่อยทําไมเราจะไม่รู้แหมรสอร่อยนี่ก็เช่นว่าเราทําแล้วให้มันเกิดความสุขในชีวเราได้ใช่ไหมโทษอันต่ําซามที่เราก็เห็นเอยู่ว่ามันมีโทษอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะครับได้ทุกวันเอราบางทีเราก็ลุ่มหลงเพลิดเพลินมัวมาไปในสิ่งนั้นรู้แค่อย่างเดียวไม่ใช่แน่นอน เอาอย่างนี้ก่อนสมมติเรารู้แค่รถอร่อยนะอันนี้คุณยังไม่เรียกว่ารับรู้แน่นอนบนะเพราะว่าบางทีเราเพลินไปนะหรือบางทีเรารู้แค่โทษอันต่ําสามนะอันนี้ไม่ใช่แน่นอนเพราะว่าบางทีเราขยัแขยงเกลียดชังอ๋อหรือบางทีเรารู้แค่เหตุเกิดแง่มุมเดียวเราก็ยังไม่ใช่แน่นอนเพราะว่าเรายังไม่รอบรู้มันนะอันนี้สมมุติถ้าเราเพิ่มมาเป็นสองนเพิ่มมันเป็นสอง เช่นวนะ่ารู้โทษก็รู้รู้ประโยชน์ก็รู้้วก็เรียกว่าดีขึ้นนะดีขึ้นน ะ, ะเพราะว่าเริ่มรู้หลายแง่ายมุมเริ่มฉลาดขึ้นมาบ้างทีนี้อย่างน้อย<ม>ที่อาตมามองนี่ความเห็นของตัวเราเองน ะ, ะซึ่งจะมีพุทธวจนะซัพพอร์ตต้องต้องไปหาเพิ่มเติมว่าเอ๊มีพระสูตรที่พระเจ้าตรัสถึงแค่สามอย่างนี้ไม่น่าจะมีที่ดูผ่าน้าก็คือแค่รู้โทษรู้ ตัวประโยชน์แล้วก็รู้วิธีการนําออกรู้สามอย่างนี้อ๋อรู้สามอนี้เหตุเกิดกับเหตุดับอย่างนั้นหมายถึงว่ารู้เหตุเกิดมันไม่ใช่รู้เหตุเกิดนะคือรู้ประโยชน์ของมันรสอร่อยอ่ะรสอร่อยรสอร่อยโทษอันต่าชามและอุบายในการนําออกต้องรู้สามอย่างนี้คือสองอย่างอย่างน้อยไปอย่างเดียวนี้น้อยไปแน่นอนแต่อย่างน้อย3ามอย่างในเจอย่างคุณต้องรู้นะคือเหตุเกิดรสอร่อย โทษอันต่ําซ้ำโทษอันต่ำซ้อ่าแล้วก็อุบายในการนําออกก็คืออสาธาอธินวะแล้วก็นิสสารณะนั่นเองสามอย่างนะถ้าเรารู้สามอย่างแล้วไอ้ที่ที่เราบอกว่ารู้ๆเนี่ยนะไม่ใช่จําได้ใช่นะไม่ใช่ไปจําความรู้คนอื่นมานะเราไม่เคยไปแล้วอนะแต่เรารู้ชนิดที่ว่าเป็นวินยูชนอืเข้าถึงแบบใช่รู้ไม่ใช่รู้เป็นปัญญาชนนะแต่รู้เป็นวินยูชน อนะคือรู้ตัวเรารู้เองด้วยเราทําได้ในใจด้วยอันนี้จึงจะเรียกว่ารอบรู้เรื่องทุกเพราะคุณรอบรู้เรื่องทุกหมายถึงคุณเข้าใจความทุกข์ละเพราะคุณเข้าใจความทุกข์แล้วกเกิด อ, อะไรเบื่อหน่ายคลายกำลัดปล่อยวางได้ครับ เ, เราจะไม่รู้สึกว่าฝืนนะบางคนติดแอลกอฮอล์ติดบุหรี่ อ, อย่างเงี้ยครับพอเรื่องเรื่องการติดเหล้าติดบุหรี่มีมีคําถามนะครับจาก<อ>คุณรันดีที่บอกว่า มีคนที่รู้จักเนี่ยชอบกินเหล้าเกือบทุกวันเลยก็ท่านจะขอคำแนะนำว่าจะพูดอย่างไรดีที่จะทำให้เขาเลิกกินเหล้าหรือมีวิธีชักชวนให้เขาเลิกได้อย่างไรคอ๋อ น, นี่ไงนี่ไงก็ตรงนี้ไงมาลพง์ตรงที่ว่าให้เขาเห็นโทษให้เขาเห็นรสอร่อยให้เขาเห็นโทษอันต่สามให้เขาเห็นสามอย่างนี้ครับคือตอนนี้ที่เขาติดลุ่มหลงมัมมาเพลเพลินเนี่ยเพราะเขาเห็นแต่ประโยชน์ใช่ครับ เห็นประโยชน์ถูกเวทนาที่สูกเวทนาที่เขาเกิดขึ้นเนี่ยนะรั้วปราดเอาแล้วนะครับคือเราเห็นว่าเขาจมอยู่ในกองทุกแน่นอนแต่เขาไม่เห็นว่าตัวเองจมอยู่ในกองทุกอคนะเขาก็ยังกำนัดเพลิดเพลินอยู่ในความทุกนั้นถูกความทุกเสียดแทงแล้วก็ยังเออก็ยังดีดีมันอยู่อนะอืมไม่รู้สึกอะไรการคนถูกยุงกัดเนี่ยก็คันอะคันก็ยิ่งเกาเกาก็แผลก็ยิ่งเละเละก็ยิ่งยิ่งเกาอยู่แต่มันก็สุกนิดนึงตอนเกาท่านเอง ถ้าเราเราอยู่ข้างหน้าเราเห็นว่าไอ้แผลมันหัวแล้วเนี่ยใจิตใจเขาเริ่มเละแล้วเนี่ยเาน่าเน่าเฟฟฟอนเฟะแล้วเนี่ยเ <dunno. S 1> อคุณจะทํายังไงล่ะเขาอยู่ในกองทุกข์จมอยู่ในกองทุกข์ถามว่าเขาจะสามารถมีปัญญามารู้ว่าเอ้ใครเนาะสักคนในคนหนึ่งที่จะรู้ทางออกจากความทุกนี้สักหนึ่งถึงสองวิธีไหม <lı verschiedenen S 1> <ๆ S 2> เขาไม่เห็นนะเขาไม่เห็นเขาไม่เห็นทางเลือกที่สองตรงนี้อืมไม่เห็นประเด็นนี้เลยแต่าถามว่าเราจะทําไงล่ะเขาเห็นทุกข์แล้วแต่เขาไม่เห็นทรรมเขาเห็นทุกข์แล้วแต่เขาไม่มีศรัทธา เกียรติธรรมาตเตบอกไว้ตอนแรกว่าคุณจะเปลี่ยนความทุกข์เป็นศรัทธาได้คุณต้องมีเพื่อนดีครับหรือคุณต้องมีอสัมมาทิฐิครับเอเพราะฉะนั้นเราจะเป็นเพื่อนดีของเขาไหมล่ะอืมเป็นกัลยาณมิตรไหมในการที่จะชักชวนเข้ามารู้ซึ่งอริยสัจสับถ้าเกิดในความเป็นจริงเราไปแนะนําแล้วเขาบอกยุ่งอย่ามาสารเณรอย่างเงี้ยผู้ชายเขาบอกว่าอย่างนี้บอกว่าอบุคคลในบุคคลหนึ่งเนี่ยนะที่เป็นญาติ ญาติสายาโลหิตมาหรือว่าเพื่อนที่เรารักเนี่ยถ้าเราจะชักชวนเขาเนี่ยเราควรจะชักชวนให้เขาไปในรู่นในอริย ส, สัจส<ม>ีนะเขาแสดงว่าคนนี้เราชักชวนไม่ได้อ่าบุคคลที่เราบอกแล้วเขาพอพอจะเชื่อฟังรพระเจ้าใช้คํานี้แต่บุคคลที่เธอบอกแล้วเขาพอจะเชื่อฟังแนะพึงชักชวนให้เขามารู้อริย ส, สัจสีรเขาแสดงว่าคนนั้นเราโปรดไม่ได้เราช่วยไม่ได้ครับนี้คนที่ช่วยไม่ได้ทํำยังไงนะคือพระเจ้าก็บอกให้มีคลายความขัดเคืองในจิต คือหมายความว่าจิตเราใช่ถ้าเราบอกแล้วเราจะขัดเคืองเราไม่พอใจเขาอ่ะเราอย่าบอกด้วยความขัดเคืองนะคือพูดที่พูดเป็นในตอนต้นของรายการที่พูดถึงตบคําช้างอนะับว่าเราอย่าไปขัดเคืองให้มีความขัดเคืองเกิดขึ้นในสิ่งของเราเราจะไปบอกเขาหรือถ้าจะบอกบอกแล้วเขาจะมีความขัดเคืองเปลี่ยนวิธีบอกพยายามที่จะบอกยังไงให้เขาไปให้ได้อย่าให้เขามีความขัดเคืองอืใช้กุศโลบายใช่ใช่จนกระทั่งมันไม่ได้แล้ว แล้วคุณก็ต้องอยู่เบรกขาแค่นั้นเองออย่างน้อยเรารักษาจริงของเราให้ดีครับเอเพราะฉะนั้นในกรณีนี้นะถ้าออย่างน้อยเปิดเท่ให้ฟังเท่ครูบาอาจารย์ก็ตามหรือว่าอย่างน้อยอในในยี่บสี่ชั่วโมงเนี่ยมันไม่ได้กินเล้าทั้งยี่บสี่ชั่วโมงใช่ไหมตอนที่มันไม่กินก็มีอาบชวนไปทําดีอย่างเงี้ยก็มีอตอนที่กินเราก็หลีออกไม่ยุ่งอย่างเงี้ยเอาน้ําดีล้างน้ําเสียอค่อยๆดึง คือคนเรามันไม่ได้ชั่วทั้งยีิบสี่ชั่วโมงหรอกจริงครัมีดีบ้างชั่วบ้างครับบางครั้งตืกเขาตื่นเช้ามาอารมณ์สบายใจดีอย่างเงี้ยเราชวยไปทำความดีเปิดทำให้ฟังชวยไปเล่นกีฬาอย่างนงี้ก็ได้แต่มันก็จะค่อยผ่อนหนักเป็นเบาไอ้ที่มันเบาอยู่แล้วมันก็จะดีขึ้นอย่างเงี้ยก็ต้องค่อยๆดึงเอานะแล้วเราในกระบวนการนี้อย่างเงี้ยอย่างหมอรพพงษ์ เดีมาหรือว่าคนที่ชักชวนคุณดีมารู้ธรรมะเราก็ได้บุญไปด้วย<อ>นะเป็นคุณสมบัติของสัตว์บุรุษไหมครับใช่เป็นคนดีครับแล้วเราก็ได้บุญไปด้วยอืมอย่างนี้ทําบุญโดยไม่ต้องใช้เงินนะครับก็ทําบุญด้วยก็เรียกว่าการท้ายธรรมะครับอ่าคือตั ว, วเรารเรารเรามีธ ร, รรมะอยู่แล้วนะอ่าเราจึงมอบสิ่งนี้ให้เขาได้ด้วยการทําให้ดูอืออครับมันก็ธรรมะนี่ชนะอธรรมแน่นอนพระเจ้าตรัสไว้ครับครับนะ ชนะกันให้ทั้งปวงด้วยอทีนี้ตรงเนี้ยคือคือเรื่องของเจ็ดอย่างนี้เรามาซ้ํากันอีกครั้งหนึ่งให้มันละเอียดเล็กซึ้งอย่างน้อยคุณต้องเข้าใจสามอย่างนะสามอย่างในเจ็ดอย่างนะะเข้าใจนะเข้าไปในใจนะไม่ใช่ท่องได้อย่างเดียวไม่ใช่ท่องได้อย่างเดียวแล้วมันอยู่ที่สมองครับจากสมองเนี่ยห่างมาถึงหัวใจเนี่ยแค่ฟุตเดียวหมอละพงฟุตเดียวครับฟุตเดียวนะ โอ้ S <S โ ห, โห<ช>ทาไมเส<ช><ำ>้นทางการเดินทางนี่มันยาวขนาดนี้านบางคนน่ะจําได้หมดเลยแต่พระสูตรนั้นพระสูตรนี่รู้อะไรไม่ใช่พุทธวจนะอะไรพุทธวจนะแต่ว่าไม่บรรลุธรรมสักทีวยอ่ม <ừ> ไม่สามารถพยากรณ์ตัวเองได้สักทีแม้เราจะ<ช>พยากรณ์ว่าฉันเป็นเสวดดับัตฐฐแล้วนะ<ช>เอ๊แต่ทำไมเรายังบางทีมันจีดอยู่ว่ามันเข้าใจผิดอะไรเงี้ยเอ๊ะทำไมเป็นอย่างี้เนาะมันห่างแค่ฟุตเดียวมาแล้วผมอืมจริงครับ แล้วมักแปดนะเส้นทางเดินฟุตหนึ่งนี่นะคือมักแปดนะอืมคุณจะเดินจากหัวสมองมาถึงหัวใจคุณนะหัวใจคุณเดินตามมักแปดนะครับแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเราเอารู้ทั้งรู้นะครับแต่ว่ามันไม่ได้เดินตามเส้นเลื่อนไม่ได้เดินตามอะไรแต่เราเดินตามมักแปดครับแล้วเวลาเราเข้าใจธรรมะมันไม่ได้ไปสว่างที่หัวสมองมันสว่างที่ตรงหัวใจระหว่างอกนะตรงท่ามกลางอกไม่ได้สว่างที่ตรงบริเวณระหว่างตา ระวังหูไม่ใช่ตรงนั้นครับทีนี้พอเราต้องการมาทำความเข้าใจให้ธรรมะเข้าใจในสิ่งของเราเนี่ยเราก็ค่อยปฏิบัติไปปฏิบัติในที่นี้ซ้ำอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่ว่าเราต้องฝืนเราแค่ทำความเข้าใจสิ่งที่เราพบเจอแต่เพราะนั้นธรรมะเนี่ยจึงอยู่ในชีวิตประจาวันของเราธรรมะคือ ค, คือวิถีชีวิตหมอรัตครับก็คือ <นะ S 2> เหมือน บางบางคนพูว่าเป็นธรรมชาตินั่นเองธรรมะมัดแปดเนี่ยตรงที่คุณต้องเดินจากหัวสมองมาหัวใจเนี่ยคือเป็นเส้นทางในการดําเนินชีวิตของคุณอณอืคุณไปกินแมกโนเนลหรอคุณไปกินเ f ฟซี่อะคุณพิจารณาอาหารก็ได้ได้ใช่ไหมครับคุณเ อ, อเห็นธรรมะก็ไ ด, กด้เห็นเหตุเกิดเห็นความดับเห็นโทษเห็นประโยชน์เห็นวิธีการนําออกแค่เนี้เราเห็นตรงนั้นเห็นตรงนี้ดูป้ายโฆษณาอย่างช่วงนี้เขากินเจกันนะ คุณเห็นโทษไหมเห็นประโยชน์ไหมเห็นวิธีการนําออกไหมโอ้เราก็กินเจก็ได้เราไม่กินเจก็ได้เราก็สบายใจอย่างเงี้ยนะอื <Ừ, S 2> วางจิตอยู่ได้ในในสถานก า, ารณ์ที่ใช่ใช่เพราะฉะนั้ น, นก็เลยเรื่องกินเจนีก่ก็เหมือนกันครับเป็นเนีน่อืมรู้สึกมันก็ในในแง่หนึ่งคือเหมือนกับการลดการทํำร้ายเบียดเบียนสัตว์ใช่ไหมครัใช่ใช่ยงอันนี้ก็ที่บุญเช่าเน้ยนย้ําเลยคือการไม่เบียดเบียนใคร ใ น, นในธรรมะวินัยนี้เนี่ยพูดถึงการที่ไม่เบียดเบียนคนละ่ะขนาดดูขนาดเขาเา้าเอาเลื่อยมาเลื่อยเราเองอะเลื่อยมาเลื่อยตัวเราให้ขาดสองท่อนอย่างเงี้ยเรายังจะต้องมีจิตไม่แปรปรวนเลยยังต้องไม่กล่าววาจารย<ม>์เป็นบาปเลยผู้เจ้าสอน<ม>อยังบุคคลที่ทําเรื่องนี้ได้เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยนะี่นะก็อาจมาก็เห็นอย่างเจส c สคริสอย่างเงี้ยที่ชาวโรมันตอนนั้นเขาไปปกครองยิวใช่ไห ม, มเขาก็ลงโทษต่างๆหน้าหน้าใส่ความต่างๆหน้าหน้าอย่างเงี้ย ในมีการลงโทษ ด, ด้วยที่ที่หนักที่สุดในสมัยนั้นที่เรียกว่าครูซิฟายเออร์การเอาแส้ที่เป็นขอเกี่ยวเคี้ยนอย่างเงี้ยราดด้วยน้ําแสบมีน้ําเกลือเป็นต้นอย่างเงี้ยแเป็นการลงโทษชนิดที่หนักมากก็ยังมีจิตที่ปรารถนาดีกับคนอื่นมีจิตมีความรักความเมตตานะครับเพราะฉะนั้นพระรูชาเนยเน้นแน่นอนเรื่องของกามไม่เบียดเบียนพระรูชาเน้นแน่นอนเรื่องของศีลนะครับไม่เบียดเบียนนี่ก็อยู่ในมรรคแปดนะเป็นสามาสังกปะ ครับออ่การที่ไม่ฆ่าสัตว์นะก็อยู่ในสมากกัมมันต์เป็นมาร์กแบดแน่นอนอศีลสามข้อแรกครับแล้วก็ยังไม่ไม่ค้าขายเนื้อสัตว์ะค้าขายเนื้อสัตว์คือเป็นเป็นลักษณะที่ว่าแนะนําให้หลีกเลี่ยงครับนะเพราะฉะนั้นถามว่าด้วยบัญญัติของผู้รู้จักตรงเนี้ทําให้เรามีกลุ่มคนบางกลุ่มคนก็มีความเห็นว่าเอองั้นกินเจก็ดกีก็ดีนะเพราะมันไม่ฆ่าสัตว์ใช่ไหม ใช่ครับคือไม่ฆ่าสัตว์เนี่ยคือเราก็ไม่ใช่ว่าเราไปฆ่ามากินนะอย่างสมมติคุณไปซื้อข้าวแกงข้าวหน้าเป็ดอย่างเงี้ยคุณไปซื้อมาคุณก็ไม่ได้ฆ่าสัตว์อยู่ดีถูกป่ะใช่ครับคุณก็ไม่ได้บียดเบียนใครที่คุณจะต้องไปขโมยเข้ามาอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็ไม่ได้เป็นคนขายเราเป็นคนซื้ออย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็ถือว่าไม่ผิดอยู่แล้วล่ะนถ้าเราในช่วงปกติที่เราไม่ได้รับประทานอาหารที่เป็นมังสวิรัติครับแต่ทีนี้เราจะต้องมาดูแง่มูลอื่นๆประกอบด้วยนะสว นี่คือสำหรับบทบรรยทธ์ทั่วๆไปทั้งคราวาทั้งประสงค์นะที่เฉพาะเจาะจงมาในเรื่องของประสงค์ก็คือว่าไม่ให้กินเนื้อสัตว์สิบอย่างนะมีเนื้อเสือเหลืองเสือดาวเสือโคร่งเนื้องูเนื้ อ, อสุนัขเปน็นต้นเนื้อสัตว์สิอย่างนี้ไม่ให้กินยังพูดถึงการที่ห้ามกินเนื้อสัตว์ที่เขาฆ่าเฉพาะเจาะจงที่ตั้งใจฆ่าให้ประสงค์นี้ไม่ได้ไม่ได้สมมุติว่าเราไปเคานิมนต์ไปฉันที่ร้านอาหารซีฟู้ดอย่างเงี้ย เราเดินเข้าไปเนะี่ยเห็นปลาเป็นตู้ๆอยู่เงี้ยครอ่อเราไปนั่งที่เสร็จปุ๊บเดินออกไปห้องน้ําผ่านตู้เอา้าตู้นี้มันหายไปแล้วปลาตัวนี้นะมันอยู่<อ>ในตู้นี้เมื่อก่อนมันหายไปนะกลับไปนั่งอีกทีเอา้าเห็นปลามาอยู่ยบนโต๊ะอาหา ร, ร, รที่เราสงสัยว่าเขาจะฆ่าเพื่อเราหรือเปล่านะให้เงนเราไม่กินไม่กินนะหลวงปู่ชาเคยยกตัวอย่างท่านไปเดินบินตบบาทเห็นคันเบ็ดอยู่นะเห็นชาวบ้านคนนั้นเขาเดินมาเอาเบ็ดนะแล้วก็กลับมาที่วัดเดินกลับมาที่วัดเสร็จปุ๊บ ไอ้คนนั้นนั่นแหละที่เห็นไปเก็บเบดนั่นน่ะเขาก็เอาปลามาถวายท่านก็คิดว่าโอ้โหนี้ฆ่าเฉบาะบจอดจงเพื่อท่านท่านก็เลยผ่านไม่เอาอย่างเงี้ยอออันนี้ท่านก็เล่าไว้ในซีดีแผ่นหนึ่งของท่านนะครับอันนี้ก็คือพระก็ห้ามฉันพวกนี้อยู่แล้วแต่เขาได้ยินได้เห็นเฉบาะเจอดจงเออหมือนว่าได้เห็นว่าเขาฆ่าเฉบาะบจอดจงเพื่อเราได้ยินว่าเขาฆ่าเฉบาะบจอดจงเพื่อเราหรือว่ามีความสงสัยว่าเขาฆ่าเฉบาะเจอดจงเพื่อเราครนะก็ห้ามกิน หรามฉันแต่นี้คือของพระรนะเป็นความละเอียดในธรรมวินัยนะครับที่พระเจ้าตรตาัสไว้ครับทีนี้สิ่งที่เราต้องคอยอพิจารณาเพิ่มเติมอีกนะคือถ้าเราพิจารณาแค่นี้เราก็จะบอว่าเออมันก็ไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์นี่ดีแน่นอนนะด้วยรูปแบบใดๆก็ตา ม, มทีนี้สิ่งที่เราพิจารณาเพิ่มเติมก็คือความเป็นอยู่นะความง่ายในการเลี้ยงชีวิตเพราะว่าเอาอย่างกรณีนนพระสงฆ์กันนะรพระสงฆ์เนี่ยมีการเป็นอยู่เนื่องด้วย การอุปถปมา์ของผู้อื่นนะเช่นบิณทบาทนี่คุณก็ต้องไปบิณทบาทแล้วก็เร่งง่ายๆไปขอเขากินนะนะชีพที่ต้ามกินตามนั้นเพราะฉะนั้นพระเจ้าเนี่ยจึงไม่อนุญาตให้พระเทวทัตเนี่ยที่ขอว่าให้ประสงค์นี่นะรับประทานมังสวิรัตตลอดชีวิตถ้าใครรับประทานเนื้อสัตว์เนี่ยให้ปรับอาบัต์พุระเจ้าไม่อนุญาตนะก็เพราะว่าคือตอนอน an, ั้นอา<ะ>ศัยเหตุ ตรงที่ว่าคือเหตุอะไรในใจผู้ชาเราไม่รู้นะแต่เท่าที่วิเคราะห์ตามสถานการณ์เนี่ยก็คือตอนนั้นเนี่ยเทวทัศน์เนี่ยต้องการใช้เหตุเนี่ยในการที่จ ะ, ะแยกแยกมูสให้สงแตกแล้วก็ไปบัญญัติเป็นลัฐที่ใหม่เป็นศาสดาใหม่ขึ้นมาอย่างเงี้ยอพระเจ้าก็เลยห้ามตรงนี้ไว้แล้วก็ประการที่สองคือเพื่อความเลี้ยงง่ายนะเพราะบางคนคที่เขาไม่ได้กินอย่างนั้นก็มีนะไม่ได้สะดวกในการทําอย่างนั้นก็มีนะเพราะฉะนั้นก็เพื่อความเลี้ยงง่ายด้วยครับก็จะต้อง เรีว่ามีอะไรมาก็กินแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ไม่ให้กินเนื้อสัตว์สิบชนิดนี้ในขณะเดียวกันถ้าเขาค่าเฉพาะโจชงเราก็ไม่เอาให้เลี้ยงไปอ่าเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูว่าความเลี้ยงง่ายหนึ่งสองไม่เบียดเบียนแถามว่าเราไปซื้อมาเราไม่ได้ฆ่าจริงๆริงแต่ก็เรียกว่าไม่เบียดเบียนละะเรามีการพิจารณาก่อนรัประทานะเราก็ชื่อว่าอาหารตรงนั้นเราก็มีบุญเกิดขึ้นในจริงของเราละอย่างนี้นะครับอืมอืม อย่างนี้ตัวอณนนิสงจะได้มากไหมครับการกินเจเนี่ยเหมือนกับที่ตอนนี้ก็เป็นกระแสที่แรงพอพอสมควรเลย <S <S ก็นี่ไงทีนี้ถามว่าอย่างการรับประทานอาหารเจเนี่ยคุณบอกว่าคุณทําให้บางคนจะเห็นผลว่าเพื่อสุขภาพใช่ไหมครับคือไม่ใช่แค่ล้างสมมุติเราเร า, เราทําความสะอาด ร, ร่างกายของเราเนี่ยนะเราไปอา บ, บ, บน้ำอาบอะไรเอาครีมอะไรทาให้มันบํารุงขึ้นมาเนี่ยนี่คือทางด้านผิวหนังร่างกายข้างนอกนี้ในระบบลําไส้ข้างในเขาบอกเออคุณกินผักกินเจกินอะไรเนี่ยเพื่อล้างลําไส้ข้างใน แม้บางคนนี่นะล้างท้องก่อนกินเจเนี่ยฟาดหมูฟาดเนื้ออะไรเต็มที่เลยนะแต่ <c oughs> แล้วก็บอกนี่คือการล้างท้องแล้วก็ อ, อีกสิบวันใช่ก็ไปกินเจเนี่ย <c oughs> ม่นันมันก็ตลกกัน <c oughs> คือคือล้างข้างในใช่ไหมเพื่อความสะอาดในสมัยพุทธกาลเขาก็มีเขาเอาตัวตัวเองเนี่ยลงไปล้างในน้ําวันละสามรอบอย่างเงี้ยหรือ <c oughs> ว่าเอาตัวไปย่างบนไฟให้ไม่ร้อนแต่ไม่เจ็บเอาตาน้ำมาตามเพื่อให้กิเลมันออกไปเพื่อให้ความไม่ดีออกไปจากกายอนะ นะคือโดยการเอาทําตัวให้ลําบากนะเพื่อที่จะให้กิเลสออกไปจากกายแต่ที่พระเจ้าสอนก็คือว่ากิเลสมันอยู่ในใจแต่เมื่อถามว่าเราเร า, เราทําความสะอาดกายเนี่ยด้วยเหตุผลที่ว่าเพื่อสุขภาพก็ตามเพื่อให้ร่างกายมันสะอาดไส้มันสะอาดต่างต่างเนี่ยถามว่าคุณทําความสะอาดใจด้วยหรือเปล่าอืมใช่ตรงนี้สําคัญะนะครับเพราะฉะนั้นเขาจึงจึงพูดถึงว่ารักษาสีไงซื้อศีกินเจนะครัพูดงนี้ได้ยินบ่อย อ่าคือศีลกินเจอันนี้ก็มีส่วนที่ถูกต้องตามที่พุทเจ้าสอนตรงที่ถือศีลนะเพราะ<ช>ว่าการล้างใจมาเลยนะการลนะ้างใจการทําความสะใจเนี่ยนั่นคือการรักษาศีลนั่นเองนะศีลเนี่ยความเป็นปกติห้าอย่างเนี่ยเป็นหนึ่งในกระบวนการการล้างใจอนะกระบวนการการล้างใจก็คือมาร์กนะมาร์กมีอะไรบ้างศีลสมาธิปัญญานะเพราะฉะนั้นล้างด้วยศีลก็ส่วนหนึ่งแล้วนะเพราะฉะนั้นแต่ต้องเข้าใจนะว่าศีลกับการ กินอาหารที่เป็นมังสวิรัตนี่คนละประเด็นกันนะครับสียงกับการกินอาหารที่เป็นมังสวิรัตเป็นคนละประเด็นกันนะคือหมายความว่าถ้าเรากินอาหารที่เป็นมังสวิรัตไม่ใช่หมายความว่าเราไม่ได้ฆ่าสัตว์นะคือเป็นคนละเรื่องกันน่ะครับไม่ใช่ว่าเรากินเนื้อสัตว์หมายถึงเราไปฆ่าสัตว์ก็ไม่ใช่นะคนละประเด็นกันอ่าครับเข้าใจครับเออทีนี้เราล้างใจหรือเปล่าเราล้างใจไหมในการที่อ ที่นอกจากจะล้างร่างกายแล้วเราต้องทําความสะอาดจิตใจของเราด้วยนะอืครับใช่ที่นี้ใช่ทีนี้เรื่องของการทําความสะอาดใจเนี่ยที่มันได้ยิ่งมากยิ่งขึ้นนี่ย น, นอกจากรักษาศีลผู้เช่าก็พูดถึงการทําจิตให้เป็นสมาธิการเห็นการเกิดดับการเห็นความเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงตรงนี้นี่คือสมาธิปัญญาใต่อให้ ค, คุณจะรับประทานหรือไม่รับประทานอาหารที่เป็นมังสวิรัติก็ตาม แต่ถ้าคุณพิจารณาอาหารก่อนอ่านั่นคือการดาเนินเรื่องจิตนะคือการล้างจิตนะคือสมมุติคุณสั่งข้าวหน้าเป็ดมาสั่งข้าวหน้าเป็ดที่เป็นเป็ดจริงๆนะไม่เป็ดเจนะเป็ดแบบเป็นเป็ดเป็นจริงๆนะคือคือบางคนเนี่ยสั่งสั่งอาหารเขาเรียกว่ารับประทานอาหารเจนะแต่ทํำสีเหมือนให้มันเหมือนเป๊ะเลยอาตมาเคยไปเคยไปฉันนี่อน่องไก่ทอดน่องไก่เจทอด โอ้โหมันเหมือนเป็เราไม่สามารถบอกได้เลยว่านี่มันไก่จริงหรือว่าไก่ปลอมกันแน่โอ้ครับเหมือนมากเลยนะครับ<ะ>หรือเดี๋ยวนี้เขามีข้าวหน้าเป็ดข้าวหมูแดงเจข้าวหน้าเป็ดเจไข่เจเอ๊แล้วถามว่าคุณรับประทานเนี่ยคือคือนอกจากล้างอ่าร่างกายนะไม่เบียดเบียนแล้วเนียเ่ย้คุณล้างใจด้วยหรือเปล่าแต่ถามว่าการรับประทานพวกนี้ยมันพอกปูนกิเลสในใจเราไหมเราต้องต้องตอบคําถามตัวเราเองตรงนี้อืมนะอาหารอะไรไม่ว่ามานะนะได้ตามมีตามได้ก็ตาม ละเอียดประณีตหรือว่าหยาบก็ตามนะทั้งที่เป็นมังสวัลหรือไม่ใช่มังสวัลก็ตามนะคุณได้รับมาพวกคุณต้องพิจารณานะว่าอาหารนี้เราเพื่อที่อดํารงอยู่ได้นิดหน่อยนะทางเบญทนานะป้องกันความหิวนะไม่ให้ความอิ่มจนอุดอัดไม่ให้สิ่งที่เป็นทุกเวทนาใหม่เกิดขึ้นเอถ้าเราพิจารณาอย่างนี้ชื่อว่าคุณทําความสะอาดใจอืชื่อว่าคุณทําความสะอาดใจละนะไม่ลุ่มหลงยึดติดมัวมาพัวพันในอาหารนั้น S <S อาหารที่เป็นเนื้อสัตว์ก็ตามอาหารที่ไม่ใช่เนื้อสัตว์ก็ตามเราสามารถยึดติดมัวหมองพัวพันได้ครับเป็นวัตถุแห่งการได้ะเป็นกิเลสเป็นวัตถุกรรมได้นะกิเลสกรรมกับวัตถุกรรมพระเจ้าเคยพูดไวนะ้เพราะฉะนั้นวัตถุนี้เป็นที่ตั้งแด่เพรา ะ, ะเราทําความสาใจนะคือถ้าถ้าเรามีความชีวิตเป็นอยู่ที่ง่ายนง่ายนี่คือหมายความว่าอยู่ง่ายๆ กินง่ายกินง่ายครับยิ่งง่ายกินง่ายเนี่ยยิ่งจะดีเพราะว่าทําให้เราบรรลุทําได้เร็วขึ้นนะตรงที่พระเจ้าบอกว่าจะแทงตลอดซึ่งอกุปธรรมได้ต่อการไม่นานเดียวแต่ถ้าเป็นผู้ที่อยู่ง่ายกินง่ายสนดทในบริการใงชีวิตใช่ไหมเราก็จะอทำอานาปนสติเนี่ยได้ได้ดียิ่งขึ้นอเจริญได้ไวเพราะฉะนั้นอาหารที่คุณรับมาคุณก็พิจารณาดูเราทําความสะใจเราด้วยไหมอย่างเนี้ย นะแล้วก็ตรงนี้ทีนี้เรื่องการเบียดเบียนเนี่ยมันไม่ใช่แค่อาหารอย่างเดียวหมอพลพงศ์แต่ถ้าถ้าเราจะมาดูตรงนี้ว่าอ้อาหารฉันต้องอรับประทานอาหารประเภศนี้ประเภทนี้เท่านั้นนะแล้วถามว่าเพื่อจะไม่เบียดเบียนสัตว์แล้วถามว่าไอ้พวกเครื่องประดับต่างๆคุณใช้กระเป๋าหนังหรือเปล่าคุณใช้รองเท้าหนังไหมหนังนี่มาจากอะไรก็มาจากสัตว์นะวัวนะวัวไม่ตายแล้วเพื่อมาทํากระเป๋าเนี่ยก็ตายนะออตหรือคุณจุดเทียนไหมคุณจุดเทียนก็ขายมันสัตว์นะ คุณใช้ผลิตภัณฑ์อะไร<น>ทาหน้าทาตัวน่ะสะบู่เป็นยังไงเนะนี่พว <ไข S 1> กนี้ก็ก็มีส่วนของสัตว์บ้าง<อ>นะถามว่า<อ>ต่อให้กระดาษที่คุณใช้อะกระดาษที่คุณซื้อมาเนี่ยเขียนรายงานอะไรต่างๆเนี่ยโรงงานเขาเปิดนี่ยเขาเบียดเบียนเด็กหรือเปล่าใช้รายงานเด็กหรือเปล่าเนอะเราจะต้องไปตรวจสอบถึงขนาด น, นั้นเลยเหรอว่าสิ่งที่เราใช้มีการบิดเบียนใครไหมอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากนะจริงครับบางทีเนี่ยถ้าเราจะไประวังตรงนี้เนี่ย มันจะทำให้เรามีความร้อนใจอยู่ตลอดเวลาอืมอร้อนใจอยู่ตลอดเวลาเลยนะ<ง>จึงทําให้ผิดลักษณะของศีล น, นะคือความปกติที่เป็นผลที่ทําให้มีความไม่ร้อนใจอืมโอ้อประเด็นี้รู้สึกเล็กซึงครับท่านเออก็อืมทำให้พ<ว>ิจารณาในมุมอื่นด้วย อ, อ, วอ่าว่าเฮ้ยเราทําไปทำไ ป, ไปคุณมีความเห็นถูกต้องหรือเปล่าเพราะว่าถ้าคุณเราพูดไปตอนที่แล้วนะคุณถ้าคุณมีความเห็นไม่ถูกต้องนะศีลที่คุณปฏิบัติเนี่ยมันจะทําให้คุณร้อนใจนะ เราจะต้องระวังไปหมดเลยเ ค, ค, คุณนั่งกางอี้นะคุณนั่งทับเชื้อโรคหรล่าเชโรคตายไหมเนี่ยอไอ้อา ย, ยาแล้วเราปิ้เจไอ้ ย, ยาแล้วเราทําไง<ๆ>อยู่ง่ายมันจะทําให้เราชีวิตเราไปยากไปด้วยนะครับเราจึงต้องมีสมาธิ<ม>เพื่อที่ให้เรารักษาศีลได้โดยความให้ผลเป็นความไม่ร้อนใจครับอเราต้องล้างจิตนะหมอแล้วพงษ์ครับโอ้ลึกซึ้งลึกซึ้งครับแล้วก็นอกจากนี้ถ้าอย่างนั้นเราจะทําไงอ่ะ เราก็อยู่ง่ายๆกินง่ายๆนะมีมีสมาธิถี่ด้วยการเห็นที่ถูกต้องอย่างเงี้ยเราก็จะทำให้ล้างใจของเราเราก็บางคนมีความเห็นว่าการไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยเป็นการไม่ฆ่าไนะม่ฆ่านี่ก็เป็นมหาทานอยู่แล้วการให้ทานคือชีวิตให้ทานคือชีวิตอย่างสมมติเ็ามีการปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยวัวปล่อยควายอะไรเงี้ยเขาก็จะติดป้ายกันบอกว่า ให้โคกระบือพวกเนี้ยพ้นจากความตายเฉพาะหน้าอมแต่พนต้นจากความตายเฉพาะหน้ามาแล้วพงศคือคือถ้ามันมันจะเข้าโรงฆ่าสัตว์อย่างเงี้ยเราไปช่วยมันมาอย่าเงี้ยมันก็พ้นจากความตายเฉพาะหน้าหรือว่าถ้าเราเ อ, อจะถูกรถชนอย่างเงี้ยสมมุติอนะมีคนคมาช่วยดึงเราออกจากวิถีของรถหรือเราจะเราจะถูกยิงมีคนมาช่วยเราดึงออกจากวิถีกระสุนอย่างเงี้ยโอ้โหเราก็ตายเลยนะพ้นจากความตายเฉพาะหน้าว่างั้นพ้นจากความตายเฉพาะหน้าอย่างเงี้ย แมชีวิตของเราที่เหลือทั้งหมดเนี่ยเป็นนี่บุญคุณคนนี้มากเลยใช่ไหมคนที่มาช่วยเราวัวควายเนี่ยมันน่าจะต้องมามีเขาเรียกว่าเห็นว่าเราเป็นคนมีบุญคุณที่ให้มันพ้นจากความตายเฉพาะหน้านะนึกเหรอไหมใช่ครับทีนี้อย่างเราช่วยหรือให้ทานอย่างเงี้ยผู้เชาให้ทานพูดถึงการให้ทานเนี่ยถ้า ค, คุณให้ทานพวกเทน้ำล้างหม้อนี่นะ คุณทำอาหารเจเสร็จคุณคุณล้างให้ภาชนะเจเนี่ยนะของคุณเนี่ยนะลงไปในขี้ศีดภาษาอีสานก็เรียกขี้ศีดนั่นก็คือในบ่อน้ําตมเล็กๆตรงนั้นน่ะเพื่อให้สัตว์เล็กๆนั้นมันได้ได้กินอะไรบ้างเนี่ยที่เป็นเจเจบ้างเนี่ยนะมันก็ยังเป็นทางมาแห่งบุญนะทางมาแห่งบุญพระเจ้าบอกเป็นทางมาแห่งบุญแล้วทํานเกษตรเจริญชานคุณเอาอาหารให้เด็กน้อยเขาไปเอาอาหารให้สุนัขอย่างเงี้ยเอาเศษกระดูกไก่ให้สุนัขมันก็ได้บุญนะหรือตัวเราอะได้บุญนะ เราเอาเงินให้ลูกอย่างเงี้ย้าไม่เราจะไม่ได้บุญเราได้บุญนะทีนี้ถามว่าเอาคนให้คนทุศีเอาเงินให้ขอทานก็ได้บุญตรงนั้นอ่ะแต่ทีนี้ว่าถามว่าคุณอุปการะเขาให้ทานกับเขาเนี่ยเอย่างสมมุติเราให้ขอทาน5้าบาทอย่างเงี้ยครับถ้าคุณไปอินเดียใช่ไหมคุณให้ขอทานสักบาทหนึ่งอย่างเงี้ยโอขอทานก็จะขออีกขออีกนะเพราะว่ามันน้อยอ่ะบาทเดียวมันน้อยห้าบาทมันน้อยขออีกนะขอมากๆากทีนี้ถ้าเราไม่ให้อะไรไปถ้าเราไม่ให้เขาด่าเราเลยนะ S <S ดา่าหรือว่าโอ้ยทำไมทำอย่างนี้อ่ยเป็นคนตนีีนะขี้เหนียวนะโอหให้แค่ให้แค่นี้ดา่า เ, เริ่มด่าพ่อแม่เราละเริ่มขุดงากระเอาเราม า, ามดาาม่าแล้วถามว่าเราเราก็ให้เขานะทําไมเขามาด่าเราอย่างนั้นอ่ะก็นี่คื อ, อลักษณะให้คนทุสีไ ง, ไง<อ>ให้คนที่ไม่มีคุณธรรมอ่ะนะแต่อย่างสมมุติอให้คนดีๆอย่างเงี้ยออย่างพระสงฆ์ที่ดีๆคุณให้เขาให้ท่านเงนี้ท่านก็เห็นคุณค่าของก้อนข้าวนะ เห็นเห็นอุปการะของคนข้าวนะมีอะไรก็ช่วยอุปการะกันหรือให้คนคนดีๆอย่างเงี้ยเขาเอาเงินนี้สิ่งที่ได้ไปเออไปสร้างประโยชน์ไปทําประโยชน์ไม่ลุ่มหลงมัวเมาอย่างสมมุติให้คนไม่ดีบางคนอย่างเงี้ยคุณเอาเขาเอาเงินไปซื้อเหล้ากินอย่างเงี้ยอหรือว่าได้สิ่งของไปกําหนดยึดติดมัวเมาพัวพันกลายเป็นโทษของเขาอีกอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าให้คนที่ดีๆยิ่งขึ้นไปเนี่ยได้บุญมาก ท, นะที่เราเรียกว่ารู้จักเลือกเนื้อนาบุญใช่ใช่ใช่จะเลยจะพูดไปใช่ไหมครับแตนี้ขอกลับมาประเด็นที่ว่าอถ้าบอกว่เราช่วยใครสักคนในหนึ่งเป็นทานให้ไปนในกรณีนี้คือให้ทานชีวิตอย่างเงี้ยวัวควายเนี่ยมันก็ไม่ได้รู้บุญคุณของเราเหรอกนะไอ้ใครมาออกตั้งให้ไอ้ทำไมฉันย้ายจากตรงนี้มาอยู่ตรงนี้อย่างเงี้ยไม่ทราบไม่รู้มันก็อาจจะรู้บ้างนิดๆหน่อยตามภาษาของสันเดิลฉันแต่ถ้าอย่างเป็นคนอย่างเงี้ยแต่คุณไปช่วยคนดีไว้สักคนหนึ่งจากหลบจากวิธีกระสุน หรือหลบจากวิถีที่รถมันจะมาชนโอ้โหคนนี้ก็จะเห็นบุญคุณเรามากใช่ครับนะคือเหมือนกับว่าทั้งชีวิตของเราเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณคนนี้เลยอืนะทั้งชีวิตของเขาเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณเราเลยแล้วเงินทองอะไรที่เขาหามาได้เงี้ยเขาจะเอามาให้เราหมดนะเหรือเหมือนกับว่าอา่ลูกไม่สบายเงี้ยแม่เนี่ยพาไปหาหมอนะหมอรักษาอย่างดีช่วยชีวิตอะไรต่างๆจนทั้งลูกหายเนี่ยโอ้โหค่าขวัญข้าวเนี่ยนะเยอะมากนะหมอตาพงศ์เขาจะ้นอะไรต่างๆมาให้หมอหมด นะ<ห>ไม่ใช่ไม่ใช่ของถูกๆนะถ้า<ช>สมมุติว่ารักษาโรคของลูกได้อย่างเงี้ยอย่าง<ช>ลูกที่เป็นโรคภูมิแพ้หรือว่าโรคอะไรหอบหือนอย่างเงี้ยมันเร่งด่วนมากนะหมอใช้กรรมวิธีอย่างดีรักษาให้ลูกหายได้โอ้ยพ่อแม่นี่จะรีบหาอะไรมาประเันให้หมอทุกอย่างเลยอหมอที่เหมือนเป็นเทวดาเป็นเทพเจ้าเป็นเทวด า, วด า, จ, าจริงๆเลยล่ะนะที่ในชีวิตของเขาที่มาช่วยเขาให้พ้นจากทุกทุกอันนั้น่์นะใช่ครับอีนี้ตรงนี้ย คือเราช่วยคนดีให้พ้นจาก ค, ความตายทีนี้ต่อให้เราช่วยเขาเนี่ยสมมุติตายจากครั้งนี้เนี่ยนะเนี่มันก็ยังเสี่ยงต่อการที่เจออุบัติเหตุตายอยู่ดีใช่ครับลหลายๆคนนะรักษาโรคหัวใจหายอย่างเงี้ยเอาไปข้างนอกถูกรถชนตายก็มีอา้าวใช่ครับเพราะฉะนั้นเอาทำไงเอาถ้าเราจะช่วยเขาต่อไปทําไงเราเอาเขามาเก็บไว้ในสถานที่ที่ดีนะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีอยู่ในสังคมไฮโซนะไม่มีความเสี่ยงในเรื่องการดําเนินชีวิตอะไรต่างๆ เข้าใจไหมครับนังน่งรถก็นั่งรถดีๆไม่ต้องนัง่งรถบอเตอร์ไซคแต่นั่งรถแบบรถเก๋อมีอะไรหุ้มไม่มีทางมีอุบัติเหตุแน่นอนอืมอย่างไรก็ตามมันก็ยังมีเสี่ยงต่อการเป็นโรคใช่ครับเป็นโรคตายก็มีนะครับเป็นโรคตายแล้วทำไงเอาเงินคุณเอ า, ายาอย่างดีอาหารอย่างนี้ให้เขากินตลอดนะเพื่อให้เขาพ้นจากความที่จะเป็นโรคตายนะแต่ยังไงมันก็ต้องแก่งหอบตายอะใช่ต้องแก่โอ้เราตรงนั้นเราจะรักษาไม่ได้ล่ะใช่ครับอ๋อให้คุณเก็บไว้ในห้อง ห้องปลอดเชื้ออย่าง ด, ดีนะมียามคุ้มกันสี่ทิศนะมีหมอแบบโอ้โหโคตรหมออ<ม>ย่างมาอย่างดีมารักษานะพยาบาลเต็มพื้นลูกหลานเต็มพื้นให้กําลังใจพ่อจะตายเยมันมันช่วยกันไม่ได้นะช่วยไม่ได้คนระับทางไกาทางมันอ่าเหมือนกับภูเขาหินทั้งสี่ทิศที่กลิ้งมามันไม่มีทางที่เราจะป้องกันได้ตายแน่นอนตายแน่นอนอันนั้นเราเยีช่วยเขาไม่ได้อยู่ดีนะคือเราช่วยเฉพาะความตายเฉพาะหน้าเท่านั้นเองนะแล้วก็ชาตินี้เท่านั้นเองนะ ครับถามว่าพอเขาตายจากแก่ตายตามอายุขัยตายไปเสร็จปุ๊บเกิดใหม่ปุ๊บนี้มันต้องตายอีกนะอใช่ครับตายอีกแล้วก็ตายอีกนะตายอีกเกิดใหม่แล้วก็ตายอีกนะครับเราจนพูดจนอเนกชาตินั่นน่ะก็ยังไม่หายตายนะครับเฮ้ยเรช่วยเขาแค่นิดเดียวยังไงเนี่ยหมอรัฐพงศ์เข่าใจไหมเข้าใจครับเพราะฉะนั้นเราจะทํายังไงให้ช่วยเขาถ้าเรามองมองไกลต่อไปหมอรัฐงศ์อันนั้นมาก่อนนะอันนั้นเรากำลังจะพูดถึงว่า คุณรับประทานอาหารเจเนี่ยคุณจะมองไกลต่อไปได้ไงว่าให้ให้เขาพ้นจากความตายตลอดตลอดตลอดไปทํำยังไงอืไม่ใช่แค่ชาตินี้ชาติเดียวไม่ใช่แค่เฉพาะหน้าอย่างเดียวแต่เป็นตลอดอนันตกาศนะด้วยการที่ให้ธรรมะครับก็ใช่ไหมธรรมะเร่ถามว่าเอาเราถามว่าคุณจะให้ธรรมะคุณจะให้ยังไงอ่ะมันไม่ได้อยู่ในหนังสือนะเราเราพูดไปแล้วนะธรรมะอยู่ในใจของเรานะถ้าใจเรามีธรรมะเราให้ธรรมะได้ ถ้าใจเรามีธรรมะเราแสดงออกซึ่งธรรมะนั่นแหะเป็นการเพย์ For ์เวดนะให้ไปอหมุนนะหมุนหมอแล้วผมเข้าใจไหมเข้าใจครับการเป็นการหมุนหมุนธรรมจักรของพระเจ้าครับนะการที่เราให้การที่เราทําดีกับคนอื่นการที่เราปฏิบัติธรรมะเนี่ยเป็นการหมุนธรรมจักรของพระเจ้าอยู่แล้วอหมุนธรรมจักรที่พระเจ้าหมุนไว้แล้วพระเจ้าใช้คําว่าหมุนจักรช่วยหมุนตามธรรมจักรที่เราได้หมุนไว้แล้วหมุนตามนะ แค่นั้นเองนะ ค, คือสมมุติว่าถ้าเราเป็นสดาบันอย่างนี้มรรพงศ์นะคุณคุณตายอีกแค่อย่างมากเจ็ดชาติใช่ครับแล้วชาติที่แปดคุณไม่ต้องตายแล้วนะไม่ต้องแล้วโอ้ชาติที่แปดจากชาติที่อันเนกอ่ะ้วเราช่วยชีวิตคนนั้นได้นะอสมมุติตัวเราเองเนี่ยเราช่วยตัวเราเองเนี่ยจากจากการตายนะจากอชาติที่แปดเป็นต้นไปอเข้าใจไห ม, ม เขายิ่งใหญ่นะครับถามว่าคุณช่วยคนช่วยคนอื่นไม่ให้ตายไม่ให้ตายแค่เฉพาะหน้านะแล้วคุณช่วยตัวเองไม่ให้ตายหรือยังอืมคุณช่วยตัวใช่ช่วยตัวเองให้รอดพ้นจากความตายอย่างน้อยนะจากชาติที่แปดไปหรือยังแต่ถ้าดีขึ้นอีกนะคุณตายอย่างมากสองสองถึงสามชาติหนึ่งถึงสองชาติกลับแมสั้นลงถ้านดีขึ้นอีกคุณตายครั้งนี้ครั้งเดียวนะแล้วก็ไปเป็นพรหมหรือถ้าดีขึ้นอีกนะชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายนะปฏิทินภายในที่ตธรรมแม่มันจะดีมาก ให้เราพ้นจากความตายถ้ารเรามีธรรมะอย่างนี้นะแล้วเราจะช่วยให้คนอื่นเนี่ยพ้นจากความตายที่เป็นอนเนกชาติเนี่ยมันจะดีมากนะมอแล้วพงครับมันสุดยอดกว่านะครับโดยกระบวนการนี้คืออะไรก็คือการทําความสะอาดเจตนั่นเองใช่นั่นคือมาร์กแปดนั่นเองอไม่ใช่ที่ปากเท่านั้นเองนะปากนี่ก็ส่วนหนึ่งนะเฉพาะหมายถึงว่าอาหารที่เรารับทานเข้าไปใช่ไหมในขณะเดียวกันจะพ้นจากความตาย ได้อย่างถาวรได้อย่างมั่น ค, คงได้อย่างเป็นอมตะเนี่ยก็คือการที่มีธรรมะนั่นเองที่เ็นอมาตะธรรมเนี่ย่ใช่เพรา ะ, <ป>ะนั้นอรมาจึงต้องถามทุกคนนะที่ที่กินเจก็ตามไม่ได้กินเจก็ตามเนี่ยว่าเราทำความสะอาด จ, จิตหรื อ, อยังเราอรอดพ้นจากความตายหรื อ, อยังนะเราต้องการให้ทานมาหาทานนะเราเราทำไปทาไปเนี่ย เราก็ควรจะคิดตรงนี้ด้วยแล้วบุคคลที่ให้เราพ้นจากความตายนะโอ้โหมีบุญคุณมากจริงๆนะหมอและพงศ์เอาแค่ชาตินี้เนี่ยถ้าเกิดใครมาช่วยชีวิตเราให้จากการตกน้ําจากการให้จากโรคจากการประสบอุบัติเหตุอย่างเงี้ยครับอคนนั้นจะมีบุญคุณต่อเรามากใช่ครับ เ, เพราะฉนั้นพระเจ้าจึงพูดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงค์หรือบุคคลที่ทําให้คุณรู้อริยสัจสี่เนี่ยโอ้เป็นบุญคุณมากจริงๆอืจริงครับ บ, บ, บุคบุคคนนั้นจะเป็นบุคคลที่ทําให้เราเป็นผู้มีอุปการะมาก ท, ที่เป็นผู้ที่มีอุปการะมากต่อเราครับนะบุญคุณนี้มากมายมห า, าศาลเพราะช่วยเราตลอดเป็นอเนกชาติตั้งแต่ชาติที่แปดไปถ้าเราเป็นโสดาบันนะไม่ให้เราตายอีกแล้วนะแม้ถ้าเราได้เป็นอนาคามีนะแม้ช่วยเราตั้งแต่ชาติหน้าเป็นต้นไปไม่ให้เราตายอีกแล้วนะโอ้มันดีมากเลยนะครับดีจริงจริงนะใช่ครับนี่คือเรื่องของอาการรับทานารเจครับนะซึ่งแตกลูกมา เป็นการที่ทำความสัจใจเป็นการที่ทําให้เราพ้นจากความตายจากคนอื่นจากคนอื่นด้วยตัวเราด้วยเอ๊ะถ้าอันนี้ในช่วงท้ายๆนี้เราจะขอกล่าวถึงเรื่องทานใช่ทําบุญพระถ้าพูดถึงทานใช่ไหมเราก็ได้มีการโครงการที่มหาวิทยาลัยเป็นผู้ริเริ่มจัดทําขึ้นคือการที่สร้างห้องน้ําที่วัดป่าอําเภโศกครัคือขณะนี้ก็ได้ความคืบหน้า เราได้มีการทอดพระป่าแล้วเมื่อวันที่14ตุลาที่ผ่านมานะครับก็จะขอแบ่งปันความรู้สึกนิดหนึ่งว่ า, วาปรับปลื่มใจและก็อนุโมทนากับทุกท่านแต่ว่าตอนแรกๆบางทีเรารู้ว่าเออคนที่ให้น้อยกับคนที่ให้มากเนี่ยความรู้สึกเรามีความแตกต่างบ้างบางนะครับว่าเออบางคนดูมีสตังแต่ว่าให้แค่ร้อยเดียวอย่างเงี้ยเราล้วคนนี้โหรวยสิบล้านยี่สิบล้าน แต่ว่าบางคนเป็นแม่บ้านแม่บ้านทำความสะอาดที่ตามเนี่ยตามโรงพยาบาลเขาให้ยี่สิบาทแต่ว่าืมแมดดูเขามีศรัทธานะครับใชออ่หลังๆเริ่มความรู้สึกนี้เริ่มเริ่มเปลี่ยนไปเริ่มสุดไ ม, ไม่ไม่ค่อยแตกต่างบางทีเหมือนกับว่าเราก็จะดูว่าเขามีศรัทธาหรือมีความตั้งใจมากแค่ไหนชครับครับคือมีมีคนนึงนะครับท่านอ่าโทรมาจาก นราธิวาดคือเพื่อนบอกเพื่อนบอกเพื่อนไปแล้วก็โอนมาก็หลายพันบาทอยู่แล้วก็ฮกรู้สึกประทับใจมากเป็นความประทับใจครั้งแรกเลยว่าเขาเนี่ยอยู่นราธิวาสบริจาคสร้างวัดที่อุดรเนี่ยผมกความรู้ผมมันหันไปนี่เป็นสิ่งที่ดีมากเลยหมอละพงผู้เจ้าได้เคยยืนยันรับรองคําพูดของท่านพระสับุตรที่เกี่ยวกับว่าตัวเองให้ทานด้วยใช่ไหมแล้วก็ชักชวนผู้อื่นให้ทานด้วยเนี่ย เออคือเป็นสัตว์บุรุษยิ่งกว่าสัตว์บุรุษเป็นคนดีที่ยิ่งกว่าคนดีมอละพงศ์นะคือคือเราให้แล้วนะเรานําออกแล้วเราเราเราหมุนธรรมจักแล้วเนี่ยนะด้วยการที่ให้ให้มันดําเนินต่อไปได้เราชักชวนให้คนอื่นทําพระเจ้าทำเป็นตัวอย่างตอนที่เป็นโพลิสัตย์อยู่เนี่ยนะได้ชักชวนมหาชนในการให้ทานในการทําความดีในการที่จะทําสิ่งให้เป็นประโยชน์เกิดขึ้นกับสังคมนะตัวเองก็ทําด้วยแล้วก็ชักชวนคนอื่นทําด้วยนะโพลิสัตย์ทำอย่างนี้ <นะ S 1> ครับแล้วก็ในในตรงนี้ก็มีนิทานที่ที่มีอยู่ในธรรมบทเนี่ยที่มีคนหนึ่งพอเขาได้ยินพระสูตรนี้แล้วเนี่ยเขาก็เลยไปชักชวนชาวร้านตลาดเนี่ยช่วยกันทำทานนะปรากฏว่าอ่มีมไปชวนก็บอกว่าเออวันพรุ่งนี้นะฉันจะนิมนต์พระมาฉันที่บ้านนะใค ร, ครมีกําลังอะไรก็ให้นะอข้าวอาหารก็ประกาศไปนะก็มีก็อะไรเชี่ยวถือ กระมังคุถังอะไรเงี้ยไปรับบริจาคอาหารข้าวสารอะไรต่างๆจากแต่ละบ้านละบ้านไปถึงบ้านเศรษฐีคนหนึ่งนี่เรื่องในอินเดียนะไถึงบ้านเศรษฐีคนหนึ่งเศรษฐีคนนี้ก็คิดว่าไอ้หมอนี่ทําไมมันไม่รู้จักนิมนพระให้พอกับตัวเองวะนะสมมุติว่า<อ>คุณมีกําลังจ ะ, <อ> จ, ะจะเลี้ยงพระสิบองค์คุณก็นิมนสิบองค์สิไปนิมนมาทําไมสี่ห้ารอองค์อือย่างงี้นะคิดอย่างนะี้ไม่รู้จักประมาณตัวเองเขาคิดว่างั้นเศรษฐีนะคนนี้เศรษฐีคิดนะครับ ก็เลยใช้สามนิ้วเหมอละพงศสมนิ <mor mor ้วมืออนะคือนิ้วโป้งนิ้วชี้แล้วก็นิ้วกลางเนี่ยนะคือหยิบข้าวในในหม้อของตัวเองหยอดไปให้นิดหนึ่งโอ้มันก็ได้นิดเดียวก็ได้นิดเดียวเท่านั้นะแล้วก็เอาปลายยาขานิ้วจุ่มลงไปในน้ำพึ่งของตัวเองแล้วก็หยดไปให้หยดหนึ่งโอ้โหแล้วก็เอาปลายยาคายดจุ่มลงไปในหม้อน้ำมันของตัวเองแล้วก็ให้ไปหยดหนึ่งอย่างเงี้ยนะคืออะไรที่มันสลัดออกจากยาคาก็เท่านั้นแหละอาจจะไหลหยดหน่อยครับนั้นด้วยด้วย เหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยทําให้เศรษฐีคนนั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นเศรษฐีตีนแมวแให้นิดเดียวอย่างเงี้ยนะให้นิดเดียวแล้วพอให้ขนาดนั้นเลยก็ยังส่งลูกน้องไปตามดูอีกว่าเอ้ให้ไปน้อยขนาดนี้มันจะพูดว่างไงปรากฏว่าเขาก็ไอบุรุษคนนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้ด่าว่าอะไรเขาก็บอกว่าขอให้อ น, นิสงของบุคคลที่ทํามาเนี่ยจงประสบเป็นสิ่งที่เป็นกุศ ล, ลธรรมเถิดให้มีอ น, นิสงมากๆเถิดยกมือขึ้จอกหัวนะเขาก็พรุ่งนี้ก็จะไปถวายทานอย่างเงี้ยนะก็ จึงจึงเป็นเหตุที่ทําให้ไอเสฐีตีนแมวคนนี้นะจะส่งคนไปดูอีกือทำไมพูดอย่างนี้แล้วมันมีวาระซ่อนแฝงอะไรหรือเปล่าจะได้น้อยขนาดนี้มันไม่ด่าว่าไหนส่งคนตามไปดูมันอีกอย่างเงี้ยอืมนะพอไปถึงจุดที่เขาถวายทานกันจริงๆริงพระพุทธเจ้ามารับทานแล้วเนี่ย อ, อคนบรุบรุษคนนี้เนี่ยที่เป็นเจ้าของโครงการนี้เนี่ยนะแล้วก็กลาวเรียนพระพุทธเจ้าบอกว่าโอ้ยเนี่ยข้าพเจ้าเนี่ยชักชวนบุรุษต่างๆให้ทานขอให้อานิสงส แต่ละคนแต่ละคนให้มาเนี่ยจงเป็นอันิี้สงที่มากแก่บุคคลบุคคลนั้นนเถิดอย่างเงี้ยครับแต่เศรษฐีคนนี้พอรับทราบข่าวนี้เราก็รู้สึกโหอนุโมทนามากเลยนะครับว่าทำไมคนจิตใจเป็นอย่างนี้นั้นดีมากๆอืมครับมาต้องการจะพูดถึงอย่างกรณีของหมรุพงษ์อย่างเงี้ยครตัวเองก็ทําทานด้วยแล้วก็ชักชวนผู้อื่นให้ทานด้วยน้ำมากก็ตามน้อยก็ตามเราไม่ได้มีความคิดที่จะกีดกันทานนั้นเลยใช่ครับตามความประสงค์แน่นอนครับครับใช่เพราะว่า อันนี้ท้ายสุดเนี่ยหลังจากเสร็จพระปะมีเหรียญ น, นะฮะเหรียญเหรียญบาทเหรียญห้าเหรียญสิบสองร้อยสิบสามบาทออก็ยังงงโอ้รถจะต้องคือคือเออมันมันเป็นอะไรที่แบบมันคือเหมือนหนึ่งบาทสองบาทมันก็นจะมีค่าทั้งหมดเลยเออกับแบงก์พันเป็นปึกๆอย่างเงี้ยกแบบ็เออรูออ้สึกว่ามั น, ม, นมันหลั่งไหลจริงๆมันมเป็นสายทานใช่สายทานแห่งศรทัทธาจริงๆ อ, อ่นะแล้วแต่ละคนที่ทํามาเนี่ยนะ เราไม่ต้องพูดถึงว่ามากน้อยหรอกติตใจเขาดีแน่นอนใช่ครับดีแน่นอนอย่างหมอรัตพงศ์อะมาถามอีกหนึ่งว่าตอนที่ชดสุดท้ายที่หมอรัตพงศ์เพิ่มให้อีกอ่ะแล้เป็นการที่ให้มันครบยอดของมันไปเนี่ยเป็นเป็นล้านล้านขึ้นไปเนี่ยหมอรัตพงศ์มีความคิดยังไงก็หนึ่งคือตั้งใจไว้แล้วว่าถ้ามันในฐานะเจ้าภาพเนี่ยอะไต้องเป็นส่วนเติมเต็มให้มันสมบูรณ์นะครับแล้วก็อ่าหนึ่งก็ เป็นเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ที่ได้เป็นผู้นําในการทําบุญใหญ่ๆลักษณะนี้ก็รู้สึกว่าให้ด้วยความเต็มอกเต็มใจครับอาตมาสาธุมากๆเลยครับอืแบบว่าเลยแล้วอยู่ในช่วงจังหวะที่ที่ดีที่ดีมากๆเพราะว่าอืมเรารู้สึกว่าผมให้แล้วก็เหมือนกับโอหมันเป็นมหาทานจริงๆทำให้แล้วก็รู้สึกดีคิดดูนะอาตมามีความคิดยเงียอาตมาก็ร่วมไปด้วยใช่ไหมเรามีความคิดว่า ไอ้ถ้าสุขาที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยนะแล้วคนเข้ามาโหแบบด่วนๆมาเลยเนี่ยแล้วก็ปุ๋งออกมาคลายทุกเนี่ยแล้วเขามีความโล่งใจขึ้นมาเลยนะแล้วเขาออกไปเกิดเขานั่งสมาธิบรรลุเป็นพระอะไรให้บุคคลข้างในคนหนึ่งอุ้ยเราจะได้บุญมากจริงจริงเลยนะสาธุเราก็ให้ไว้ด้วยจิตอย่างนี้เนี่ยนะครับเราก็รู้สึกเราก็สบายใจใช่ครับใชครับอันอันหนึ่งที่ผมแล้วก็ทีมงานเนี่ยรู้สึกเหมือนเหมือนกันก็คือว่าที่วัดป่าดอนไห่โศกเนี่ยเป็น สัานที่ที่มีการปฏิบัติทุกเดือนแล้วก็ในแต่ละคอร์สเนี่ยคนร้อยคนนะครับหรือมากกว่าเนี่ยแล้วก็ทุกคนเนี่ยมีความตั้งอกตั้งใจนะครับอันนี้ไม่นับถึงพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ซึ่งเต็มร้อยอยู่แล้วผู้ปฏิบัติเนี่ยก็เต็มร้อยแล้วก็ทุกคนกลับไปก็จะได้ไปเผยแพร่สิ่งดีๆทั้งตัวเองได้คนอื่นก็ได้เนี่ยผมว่า อันนี้สงฆ์ตรงนี้มันมันมากมันมากเป็นเนื้อนาบุญที่ยอดจริงๆอันนี้จะเข้าข่ายวิหา ร, รที่ถวายสงฆ์ที่มาจากทั้งสี่ทิศนะคือวิหารที่หมายถึงว่าที่อยู่นะไม่ใช่ว่าเป็นอาคารวิสิิศพิสดารอะไรนะพระเจ้าเคยเปรียบเทียบในเวลมสูตรนะเวลมามะพรามนะที่พูดถึงเวลมะพรามในสูตรนี้นะพูดถึงบอกว่าอัตถวายอะไรต่างๆเนี่ยจะต้องถึงถวายสิ่งของที่มากที่สุดเลยเนี่ยได้อันนี้สงฆ์อะไราสุดก็คือถวายวิหารที่ ถวายสงที่มาจากทั้งสี่ทิศสงในที่นี้คือผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นเองครับนะครัาขรบาศหัวดําพระสงฆ์ไม่มีผมอย่างเงี้ยก็ปฏิบัติปฏิบัติชอบได้แต่ถ้าเข้ามาใช้วิหารที่เราสร้างขึ้นเนี่ยก็มีอนิสงฆ์มากจริงจครับอ๋อห้องสุขาเนี่ก็เปรียบเป็นวิหารใช่เป็นวเป็นวัจรกุดีอะนะอ๋อวัจจคุดีถ้าจะใช้ศัพท์เฉพาะนะครับแต่ถ้าพูดถึงคําทั่วๆไปอย่างวิหารอย่างเงี้ย่ก็คือที่ที่เป็นที่อยู่ที่ที่ เป็นอาคารสถานที่เป็นเฉพาะกิจขึ้นมาก็ได้เหมือนกันเป็นวิหารฐานครับครับนะก็เลยขออนุ ญ, ญาตบอกต่อญาติโยบที่ที่ฟังด้วยว่าตอนนี้เราเราได้เงินทุนอเบื้องต้นกองแรกเนี่ยสองล้านบาททวนนะครับจะได้เปื่ออนุโมทนาด้วยกันนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เลยทีมงานก็ได้เดินเครื่องต่อละในเรื่องของสถาปนิกวิศวกรต่า ง, า ง, างๆเพราะว่ามีเงินทุนที่จะเดินเดินที่จะ ทำได้ละครับก็มีความปรับเพิ่มใจแล้วก็ได้มีโอกาสพาทีมงานที่ไปจากกรุงเทพไปภาวนาออืด้วยนะครับไปกราบอธิบดีตาชัยนะลุงที่วัดตาบรรทัดด้วยนะครับพอ้อิ่มบุญกันทุกคนครับทุกคนบอกว่าเป็นวันที่เกินความคาดหมายนะแล้วก็คือถ้าเราใช้ชีวิตวันหนึ่งให้เป็นอย่างนี้เนี่ยนะมีความไม่ประมาทเนี่ยวันเดียวในชีวิตของเรานะวันนี้เนี่ย <C lar at> เป็นวันที่เราจําไว้ตลอดนะจะมีค่ามากกว่าหลายสิบปีที่ผ่านมา <C lar at> จะมีค่ามากกว่าช่วงชีวิตบางช่วงของเรา <C lar at> คือบางช่วงชีวิตบางช่วงของเราประมาทอย่างเงี้ยไม่ได้ <Okay. S 2> สรางบุญสร้างกุศลอย่างเงี้ยเรามาเจอวันหนึ่งที่เราทําแค่เนี้ยแม้ไอ้วันหนึ่งตรงเนี้ยมันมีค่ามากกว่าเวลาที่ผ่าน่านมานทั้งหมดเลย <C lar at> หรือว่าช่วง <C lar at> ใดช่วงหนึ่งในชีวิตของเราเราเราจะรู้สึกงี้แล้วเราทําวันเนี้ยให้มันมากขึ้นเป็นทุกวันทุกวันเป็นหลายสัปดาห์หลายสัปดาห์เนี่ยมันจะดีมากมากครับ นั่นคือผู้ที่ดำรงตนอยู่ด้วยความไม่ประมาทมาแล้วพงศ์ตามอสาธุกับสาธุครับเพราะนั้นในวันนี้เราได้พูดถึงเรื่องอะไรไปบ้างเรื่องของทุกทุกหกรือเจ็ดประการเจ็ดประเด็นที่ต้องทาความเข้าใจใช่ครับเราก็ได้พูดถึงเรื่องการการตายของสัตว์ของอะไรต่างๆเราจะทำไงให้พ้นจากความตายพึงถึงกันไม่กินเจด้วยอะไรด้วย การจินเจอธิสงคืออะไรนะครับแล้วก็เรื่องของทาบุญผาป่าอธิมาต้องการจะสรุปปิดตรงนี้นะว่าเราช่วยกันหมุนคือการที่เราทำความดีเนี่ยเป็นการที่เหมือนกับสาระภาษาอังกฤษคำหนึ่งสมัยก่อนนู้นอธิมาเคยดูหนังเรียกว่า pay it forward pay forward อย่างสมมติว่ามีใครทำดีกับเราสักอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเราก็เลยไปทำดีตอบแทนเขา อย่างเงี้ยอันนี้ก็เพย์แบ็กเพย์แบ็กใช่ไหมคือสมุดหมอรถพงศ์ไปทําความดีสักอย่างหนึ่งนึให้คนอื่นคนอื่นก็มาทําความดีกับหมอรถพงศ์ตอบอย่างเงี้ยอันนี้ก็เรียกเพย์แบ็กแต่เราไม่ต้องการงี้เราต้องการเพย์ฟอร์เวดคือแทนที่คุณจะมาทําความดีให้ฉันตอบคุณไปทําความดีให้คนอื่นอีกให้คนอืไม่ใช่ใครอ่าให้คนอื่นทําความดีให้คนอื่นลักษณะเนี้ยคือการทําความดีนี่คือการปฏิบัติธรรมใช่ไหมด้วยการให้ทานก็ตามด้วยการช่วยเหลือก็ตามด้วยการไม่เบียดเบียนก็ตามเนี่ยมันทํําาาาคควมมดีีลละแต่่่่ไใใชกกัับบนททเรห้ ไม่ใช่กลับกับคนที่เขาทําให้เราแต่เราทํา <c oughs> กับคนอื่นนะคือนเนี้ยเนี่ยลักษณะเป็นการหมุนไอ้กงลอ้อแห่งความดีเข้าใจไหมหมุนกองจากแห่งความดีพระเจ้าทำก่อนเลย <c oughs> นะ <c oughs> ตัวเองทําเองด้วยให้ทานนะารักษาศีลไม่เบียดเบียนใครแล้วก็ชักชวนคนอื่นทําด้วย <c oughs> นะคือตัวพระเจ้าเนี่ยทําเป็นตัวอย่างละหมุนละหมุนทำมาจากนี้ละหมุนกงลอ้อแห่งความดีนี่ละหมุนไปแล้วนะเราก็ช่วยหมุนตามนะทำความดีทําความดีทําความดี นะคนที่เราไม่รู้จักเลยเขาไม่ได้ใช้ประโยชน์แม่เราเราได้บุญนะเราได้ความดีตรงนี้นะนะแล้วเขาไม่ต้องทําให้เรากลับนะแล้วเข้าไปทําอีกไปทําดีขึ้นไปอีกต่อไปอีกอย่างเงี้ยให้กับผู้อื่นผู้ที่สมควรได้รับก็ช่วยกันหมุนช่วยกันหมุนนะคือช่วยหมุนตามธรรมจักรที่พุทเจ้าได้หมุนไว้แล้วอ๋ออันนี้เห็นภาพชัดเลยครับเนาะมันเพย์ฟอร์เวิร์ดทำความดีต่อไปเรื่อยๆไม่ใช่เฉพาะกับคนที่เขาดีต่อเรา ถ้าทําความดีกับคนอื่นๆครับครับดังนี้ครับโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการใช่หรือว่าผู้ใช่ผู้ที่มีความต้องการเราช่วยเรามู้ก็ตายไปก็อะไรไม่ได้อยู่ดีมอรุ่พงเอ้ยใช่ครับอืมทั้งหลายทั้งปวงใชก็ครับเหมือนกับตัวพระสูตรในใบพระป่านะครับที่บองว่าทานที่เอให้ไปแล้วก็เป็นเครื่องสละออกที่จะได้เป็นอันิสง์ต่อไปอืมครับเราก็มาพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะคุณมอรุ่ง ครับครับครับกล่าวพิสการขอบพระคุณพระอาจาร ย, ย์ไพบูรู์อภิปุนโนแห่งวัดป่าดอนไหโอกจังหวัดอุดรธา น, นีครับเฉีนยนานเียนฝาครับและกราบสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ